ไม่ต้องรัฐนากันนะเรากเนาะเพราะตอนนี้ยังไงไม่ต้องเนาะรัฐนาไปก็หน้าเก่าๆนั่นแหละออถ้ารัฐนาหน้าใหม่ก็ยัช่วน้องเก่ า, ก า, กานะัออ่นปกติแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> มาชุดก่อน ชุดก่อนเปลี่ยนชื่ อ, อยังบอกคอาสชื่อชื่ออะไรชุดก่อนชื่ออะไรนะพระพิสานบอกเออเออตอนนี้เป็นพระราษอะ น, นี่มอะเรียรเลยนะธรรมเทศ์ตรงนี้จะเลื่อนตำแหน่งบ่อยอย่างงี้จะธรรมเทศก์ประจำอืา ก็ปกติพวกจริงๆไงชั้นอะไรก็แ be ล้วแต่เนาะเราก็เป็นเด็กเลี่ยงควายเหมือเดิมนี่แหละนะมใช่ธรรมดานี่บางคนบอกทำไมทํามาสีไม่เปลี่ยนโอยสีควายควายไหนเคยเปลี่ยนนอกแต่ควายเพื่อเนาะเนี่ยก็เลยปีนี้ก็เดี๋ยวพระเดชระคุณก็ได้เป็นชันราษยแล้วแต่ที่เป็นยันราชไม่ใช่ไรโยมไม่ได้คิดถึงอะไรเลย มีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไปนะตอนเขาบอกมาเลื่อนตําแหน่งเป็นเจา้าทานนั่งหัวเราะเจ้าของเลยเอ๊ะไขวัดอยากรู้ว่าใครเป็นผู้เสนอชื่อไปไปเข้าชิงกับเขาตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอเลยว่าองค์ไหนเป็นผู้เสนอไปปกติแล้วนี่ยมันไม่มีโอกาสได้เป็นหรอกนะเพราะความรู้ความสามารถมีอย่างเดียวคือความเข้มแข็งอืก็วันนี้ก็คงจะต้องสรุป งานเร็วขึ้นหน่อยอองานโยมก็ต่างจิตต่างใจเพราะไหนๆทเรากเนิ่ยมล ม, มาก็เพื่อมาอบรมนการอบรมก็คือสร้างสติสติของเราก็มันเป็นเรื่องสําคัญสร้างสติของเราให้เกิดเป็นสมาธิ ดังนั้นวันนี้ก็ขอนามัสการประเดชประคุณเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามที่ท่านมีเมตตาทุกครั้งที่มาตรงนี้ก็ถือเป็นธรรมมิตรที่ดีรักเหมือนพีหมันน้องหนากันมากครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็เจริญบอลผู้จัดการบริษัท อะไรวินา่าอนะไรนั่นจาไม่ได้หรอกไม่ต้องจำหรอกจำไปก็ก็ขายดีอยู่แล้วนะ่ะแต่าขายไม่ดีจะจําอยู่แล้วขายดีไม่ต้องจําก็ได้ <c oughs> ทําโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพราะตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดง่ายถ้าใจไม่ศรัทธาแล้วก็ทํายาก บางแห่งคิดแล้วทำแล้วทำเหล่าทำแล้วก็ล้มที่ล้มเพราะอะไรอ่ะเพราะความตั้งใจอ่ะตั้งใจมีแต่ความสามารถน้อยก็เลยก็ล้มแต่ตรงนี้มีความตั้งใจดีและยังมีความสามารถก็เลยโครงการตรงนี้ก็เลยต่อเนื่องกันมา เพราะความสามารถเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญความตั้งใจก็ส่วนหนึ่งแต่ความสามารถเนี่ยสามารถทำได้เมื่อนพวกเรามาวันนี้ก็เป้าหมายความประสงค์อันยิ่งใหญ่ก็เพื่อจะมาฟังทำฟังทำเพื่อเป็นการอบรม สติของเราให้เป็นสมาธิถ้นั้นการปฏิบัติทำถ้าเราขาดสติแล้วก็สมาธิคงจะเกิดยากถ้างั้นวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสติสติของเราจะนั่งตอนนี้เราจะระลึกตรงไหนพิธีการระลึกให้เป็นสมาธิก็ระลึกได้หลายอย่าง บางคนที่มีเจริตดีก็แค่นึกพุทโธพุทโธจิตก็สงบได้บางคนจะเจริญมากหน่อยก็ต้องใช้ลมหายใจช่วยเพราะจริญมันไม่ค่อยลเอียดพอก็เลยต้องเอาลมหายใจช่วยดึงลงไปลึกๆเข้าไปเพื่อสติของเราจะได้เรลึกรู้ได้ฉังงนั้นวันนี้ก็ พวกเราก็ต้องใช้สติสติทีร่รงารจะพูดก็คือต้องใช้ลมช่วยลมหายใจสูดไปลึกๆเข้าไปสูดไปลึกเท่าไหร่ก็ดีเฉพาะผู้ที่มีความรู้แล้วเราจับผู้รู้ได้แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องใช้ลมก็ได้แต่ถ้าพูดที่ว่าต้องใช้ลมเนี่ยลมเข้าลมออกเนี่ย ลมเข้าลมออกตลอดเวลาเนี่ยส่วนมากมันก็สงบยากเพราะมันจะสงบก็ไม่ได้มันก็ต้องออกอ่ถ้าสงบข้างนอกมันก็ไม่ได้ก็มันต้องเข้าก็เลยใช้สติให้ความรู้สึกต่อเนื่องต่อเนื่องกับลมแต่ก็มีอุบายหนึ่งขึ้นมาใหม่เหมือนกันแต่อุบายนี้ก็ไม่ใช่ขอ ง, ของใหม่หรอกคือการสูดลมลึกๆเข้าไป โยมก็ดูสุดปลายลมตรงไหนก็ระลึกรู้ระลึกรู้อยู่ตรงนั้นเระลึกรู้อยู่ตรงลมสุดตอนนี้ลมจะออกก็ไม่ต้องระลึกตามมาให้ระลึกตรงที่ลมสุดลมก็นึกตรงนั้นเพราะการระลึกอยู่ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับลมลมมันเป็นาธาตุลมแต่การระลึกมันไม่มันก็อีกาธาตุหนึ่งเหมือนกัน คือการระลึกรู้ตอนนี้นลมนี่ยจะทำช่วยได้เยอะแล้วก็สุดลมแล้วก็ให้เราระลึกไว้ตรงนั้นก็พยายามระลึกไว้ตรงนั้นจะเอาพุทธโธกากับก็ได้พุทธโธกากับก็คือไม่ใช่ให้ออกไม่ใช่พุทเข้าโทออกให้กำกับระลึกรู้อยู่ตรงนั้นอย่าพึ่งดึงไปที่อื่นคือสุดลมนั้น่ะ สูดลมไปลึกๆลมนี่ลึกมากบางคนก็ถึงสะดือต้องให้ลมเลยเลยลิ้นปี่ให้ไปถึงสะดือหรือเลยสะดือไปยิ่งดีให้สูตรไปลึกๆก็ไปก็ระลึกไปตรงนั้นตอนนี้การระลึกรู้ตรงนี้ถ้าเราระลึกเรื่อยๆไปถ้าเราไม่นึกที่อื่น ถ้านึกอยู่แค่นั้นให้ระลึกอยู่แค่นั้นเล้วก็อยู่ตรงนั้นจะไม่ไประลึกอย่างอื่นเป็นขาดเดี๋ยวสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าสติของเราไม่ไปที่อื่นมีสติระลึกรู้อยู่ตรงนั้นในตำแหน่งที่สุดหล่มตรงนั้นถ้าการที่เราจะระลึกที่อื่นก็ระลึกได้แต่ไม่ใช่เวลานี้ มีเวลาอื่นเยอะแต่เวลานี้จะต้องนึกอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นด้วยถามานึกอยู่ตรงนั้นเห็นอะไรไม่เห็นแต่เห็นที่ที่เห็นที่สัมผัสได้ว่าคือเรามีความระลึกรู้อยู่ตรงนั้นจะไม่ระลึกรู้อย่างอื่นเลยทั้งนั้นเราก็ทำความระลึกต่อเนื่องกันไป การระลึกอยู่ตรงนั้นก็จะมีสติกำกับอยู่ถ้ามีสติกำกับอยู่ก็การระลึกเป็นเนื้อเดียวกันการ น, นึกต่อเนื่องต่อเนื่องไปนานๆไปจากหนึ่งนาทีสองนาทีสามนา ท, านาทีไปเรื่อยๆสมาธิที่เกิดที่โยมต้องการว่าความภาวะสมาธิความตั้งมั่นของจิตมันก็จะเกิดขึ้นมีความ ควาตั้งมั่นคือการระลึกรู้อยู่ตรงนั้นจะไม่ระลึกอย่างอื่นคือสมาธิคือเป็นฐานที่ตั้งของการระลึกรู้อยู่ตรงนั้นเพราะถ้าระลึกอยู่ตรงนั้นนานๆไปแล้วจุดท้ายก็ไอสิ่งที่เคยออกไปข้างนอกมันก็จะหายไปเองที่หายไปเพราะว่าเราไม่ได้ลึกตามออกไปข้างนอกเราเระลึกอยู่ตรงนี้ดังนั้นจิตเราต้องหยุด หยุดออกเราอย่าเพิ่งให้ออกให้หยุดอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่งและทำความรู้สึกของเราต่อเนื่องต่อเนื่องตรงต น, นั้นพยายามรู้สึกรู้รู้สึกการระลึกตรงนี้เราต้องใช้สร้างศรัทธาศรัทธาความเลื่อมใสในการระลึกอยู่ตรงนี้ถ้าเรามีความเลื่อมใส ไม่ว่าเราเลื่อมใสอะไรเราก็นึกถึงสิ่งนั้นแต่ตอนนี้เราเรามีความเลื่อมใสในความระลึก ร, รู้อยู่ตรงนี้เราก็ทาความกัดทาเลื่อมใสตรงนี้จะไม่ศรัทธายางอื่นเป็นขาดอยู่ตรงนี้เรื่อย ๆ, ๆเกิดมีความมีความรู้สึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกขึ้นมาในตรงนั้นคือความรู้สึกที่เราสัมผัสได้คือความเย็น ความเย็นนิดเดียวเกิดขึ้นตรงนั้นทันทีเลยเรารู้ว่าความเย็นเพราะอะไรทำไมถึงเกิดเราลึกตรงนี้ถึงเย็นทำไมเราลลึกที่อื่นไม่เย็นเพราะ ล, ะลึกตรงนี้ธรรมะเป็นของเย็นธรรมะไม่ใช่เป็นของร้อนนะธรรมะเป็นของเย็นดังนั้นเกิดความรู้สึกว่าเย็นนี่หม่ความว่ า, าความร้อนมันหายไป ความร้อนก็คือจิตออกนอกเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อ น, อนหมดเพราะมันออกไปข้างนอกเป็นของร้อนเพราะมันเป็นไฟเลียกไฟอะไรไฟราคะโทสะโมหะราคะเกิดขึ้นจากอะไร ก, ก็เกิดมาจากสิ่งที่ออกไปข้างนอกก็เกิดราคะโทสะเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากที่เราออกไปข้างนอกเกิดถึงกับเกิดขึ้นโทสะโมหะขึ้นมา แต่ถ้าจิตของเราไม่ออกไปเลยถาม่ามันจะเกิดได้ไหมมันเกิดไม่ได้ทำไมต้องเกิดไหมไเพราะไม่ออกไปเลยไม่ออกไปเกิดเลยเพราะไม่ออกไปก็รู้อยู่ตรงนี้จิตของเรานั้นน่ะมันไม่มีรูปร่างจิตของเราสัมผัสได้แต่หาเป็นรูปไม่ จิตของเราสัมผัสได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้เพราะจิตจริงๆของเรามันเป็นความว่างจิตจริงๆมันเป็นเป็นจิตที่มีความว่างนั่นจิตจริงแต่จิงที่ไม่ว่างนั้นมันไม่ใช่จิตเพราะทำไมถึงไม่ใช่จิตเพราะไม่ใช่เพราะจิตจริงๆมันเป็นความว่างอย่างเดียวไอ้ที่ไม่ว่างนั่นคือสังขารสังขารของเราก็คือกิเลสเรานี่เอง เรามีเกเรแล้วก็มีความโลภโกรธหลงมันไม่ว่างถึงมันเกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องหยุดจิตของเราให้อยู่ตรงนี้จนถึงอยู่ในความว่างให้มันว่างอยู่ตรงนั้นดูไเรื่อยแต่จะว่างไม่ว่างไม่ไม่สนใจแต่ฉันใจอยู่ตรงนี้สุดท้ายความที่ไม่เคยเกิดความว่างมันก็จะว่างขึ้นมาตรงนั้นเองว่างแบบรู้ไม่ใช่ว่างแบบไม่รู้ รู้สึกลึกๆขึ้นมาความรู้สึกนึกคิดไปลึกขึ้นมาเนี่หนละตัวรู้สึกเราอย่าเพิ่งไปรับอย่าเพิ่งไปรับแขกเพราะเวลานี้เรานั่งภาวนานั่งภาวนาเราต้องหยุดถึงจะเป็นภาวนาสมาธิจะเกิดขึ้นก็ต้องหยุดถึงจะเป็นสมาธิได้ทั้งนั้นเราต้องหยุดถามหยุดไม่ได้มันออกได้ทำไมจะหยุดไม่ได้ คิดออกได้ต้องหยุดได้บอกหยุดไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยว่าจะหยุดไม่ได้ปราบใดออกได้หยุดต้องได้เหมือนกันเราไม่เคยคิดให้มันหยุดตั้งหากเราไม่เคยคิดให้หยุดตั้งหากเลยบอกว่าหยุดไม่ได้ทีแท้ลองคิดให้หยุดจะบนหลวงปูด่ดูลนบอกว่าคิดเท่าไหร่ไม่รู้ ยุดคิดถึงจะรู้ก็ต้องอาศัยความคิดแหละถึงจะรู้รู้อะไรรู้จิตเราหยุดแล้วจิตเราหยุดแล้วทุกถึงทุกอย่างมันก็จะปล่อยเพราะมันเองเราไม่ต้องไปไปไปเป็นภาระกับมันเราหยุดอยู่ตรงนี้มันปล่อยเพราะปล่อยเพราะอะไรเพราะมันไม่มาหาเราถามมิจฉาเหตมันมีโทษแกเราไหม กิเลสไม่มีโทษแค่เราดอกแต่เราทั้งหากไปเอากิเลสมาเป็นของเราต้องมีโทษเพราะเราหาตัวเราไม่เจอเลยจุดแล้วสุดท้ายเราเห็นกิเลสเป็นตัวของเราเราก็เลยเอากิเลสนั้นเป็นตัวของเราก็เลยเกิดความทุกข์ความทุกข์ทรมานน้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจเศร้าศอกเศ้าใจเกิดสารพัดเกิดเลย<ม>เพราะอะไร เราไปเอาเข้ามาถ้าเราไม่เอาเข้ามาถามว่าเกิดไหมไม่เกิดดังนั้นเราต้องหาจิตของเราให้เจอจิตของเรานั้นนะคือหยุดหยุดแล้วมันจะเกิดความว่างว่างแล้วแบบรู้รู้อยู่ในความว่างตรงนั้นไม่ใช่ว่างแบบไม่รู้ถึงที่อาจารย์ให้กินน้ําเย็นไปก็เป็นตัวล่อ ล่อให้จิตให้จิติของเราลงไปลึกๆ ก, ก็ไปลึกเท่าไรยิ่งดีลึกๆไปมันก็เกิดความเย็นรู้สึกรู้สึกรู้สึกขึ้นมารู้สึกนสุดท้ายความรู้สึกอื่นๆก็หายไปหมดเลือแต่ความรู้สึกเย็นๆเลยจิตเราก็เลยกะเบาเบาว่ า, ว า, าะอะไรเพราะภาระที่เคยแบกนั้นไม่ได้แบกแล้วเพราะเราปล่อยมันหมด มันปล่อยหมดปั๊บจิตก้างเราก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นความเด่นของจิตตรงนั้นคือความชัดขึ้นชัดขึ้นการชัดขึ้นไม่ชัดไม่ใช่ชัดขึ้นเหมือนรูปร่างนะคือที่ชัดขึ้นคือความรู้สึกตรงนั้นรู้สึกชัดเจนขึ้นแต่ก่อนไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้เกิดความชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นตรงนั้นชัดแบบไหน มันเกิดความรู้สึกเย็นเย็นขึ้นจนเหมือนสัมผัสได้จนสุดท้ายความเย็นตัว น, นี้ก็เกิดความเย็นต่อเ น, นื่องเลยจนสุดท้ายจิตเราก็ออกไปสนอกไม่ได้เพราะความเย็นตัวนี้มันดึงไว้อยู่ข้างในเพราะสะติของเรามันอยู่ในธรรมก็จะเย็นทันทีทั้งนั้นที่เอาน้ำเย็นมาช่วยมาลอมันเป็นอุบายมันเป็นกุศโลบาย พุทโธก็เป็นอุบายลมหายใจก็เป็นอุบายเป็นกุศลบายแล้วเพื่อไปสู่ความเพื่อไปหายจิตนะแต่ส่วนมากหายยากจิตเนี่หายากมากเลยแต่ไปหายกิเลสจะหาง่ายกว่าความโลภก็หาง่ายความหลงก็หาง่ายความโกรก็หาง่ายความอิจฉาทิฏยาก็หาง่ายง่ายแต่ไปหายจิตถ้าไม่เอาตัวนี้เลยมันหาไม่ได้ เมือนบุคคลว่าหายากมากแต่ความจริงแล้วไม่ยากหาไม่ยากที่วันลำบากหายากเพราะเราไม่ไปหาเราไปหาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่มันเกิดขึ้นบางกองเกิดโน่นเกิดนี้ต่างๆนะเพราะมันเกิดทัด้งนั้นสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่พระเจ้าสอนทำนั้นนะ มันอยู่ตรงไหนเพราะมันอยู่ในจิตที่มีความว่างว่างกายว่างวางธาตุสีว่างคณะว่างหมดเลยตอนนี้ความว่างมันเคยมันเคยเกิดแก่เจ็บตายที่ไหนมันไม่มีหรอกนะม่เพราะมันเป็นธรรมชาติปราจจา ก, การปรุงแต่งหมดถึงไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะตรงนั้น ที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติก็เพื่อเป้าหมายด้วยสู่ตรงนั้นแต่ตรงนั้นเป็นการหาไม่หาลําบากนะแต่ถึงนั้นก็ไม่ลําบากก็เพราะถ้าเรามีศรัทธาเลื่อมใจในการจระทําแล้วทุกคนได้เหมือนกันพร้อมจะสัมผัสได้ถ้าเราศรัทธากิเลสเราก็ได้กิเลสศรัทธาความโกรธก็ได้ความโกรธศรัทธาความหลงก็ได้ความหลงะแต่ละความนีกก็มันเกิดถ้าเราศรัทธามันเกิดทันทีเลย เมื่อโยมเคยคิดจะโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าโยมศรัทธาในความโกรธคนคนนั้นแล้วเนี่ยรับรองมีผลผลของความโกรธนั้นคือความร้อนถามว่าร้อนคนโกรธหรือร้อนใครร้อนคนที่ไปโกรธเขาทําไมถึงความความโกรธถึงเป็นของร้อนเพราะมันเป็นราคะโทสะโมหะเป็นสังขารสังขารเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เกิดคําว่าอากุศลเป็นของร้อน ถกุศลนันเป็นของเย็นอกุศลเป็นของร้อนแต่จอมากเราก็เลยไปแก้เราไปเอาความร้อนมาเป็นของเย็นว่านั้นคือจิตเรานั้นคือจิตเรานี่จิตเราโกรธนี่จิตเราเพียรนี่จิตนี้รเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตรงนั้นดังนั้นการปฏิบัติตรงนี้เนะถามว่ามันลําบากไหมลําบากหรอกถ้าเรามีศรัทธาแล้วศรัทธาเนี่ยจะทําให้เราเห็นทำได้อ แต่ธรรมะบางครั้งก็ศรัทธาถ้าศรัทาในต้องศรัทธาดูว่าศรัทธาในความว่างหรือศรัทธาในการหยุดท่านจะศรัทธาในความเคลื่อนไหวก็คงจะเป็นเหมือนกันก็ว่าทำทำสังขารทำสังขารมันเป็นธรรมเหมือนกันเพราะมันมีสังขารการปรุงแต่งบางคนก็เป็นธรรมแต่ถ้าเราบอกไม่ใช่สังขารไม่ใช่ธรรมะธรรมะเป็นของความว่าง ถ้งั้นทําจิตให้ว่างทําจิตให้ว่างมันก็จะไม่ว่างนะบางคนบอกทําจิตให้ว่างปราบได้ยังหายจิตไม่เจอจะไปว่างได้อย่างไรวะมันว่างไม่ได้ดอกอจินตนาการความว่างว่างวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ว่างถ้างั้นเราต้องหยุดหยุดดูตรงนั้นอ่ะหยุดอยู่กับที่ดูี้เดี๋ยวก็จะเห็นความว่างเองน่ะมันก็จะว่างไปในตัวทั้งหมดเองเลยน่ะมันว่างหมด ถ้าหยุดไม่ไรมันก็ว่างเหมือนคนกำลังหาของมานะ่ะก็วางปุ๊บยืนเลยมันก็ไม่ไม่เกี่ยวข้องกัน น, น, นะครับความว่างจะเกิดขึ้นนั้นจิตต้องเราต้องหยุดถึงจะเกิดขึ้นแต่เราจะปรุงแต่งให้เกิดความว่างปรุงแต่งได้แต่จึงนั้นไม่ใช่ความว่างอันแท้จริงเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีสัญญาทาให้เกิดความว่าง ความว่างตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่จิตที่มีความว่างที่เกิดขึ้นที่พูดถึงนั้นเกิดขึ้นเองด้วยไม่ต้องการปรุงแต่งตถ้าเรามีการปรุงแต่งก็จิตนั้นก็ไม่ว่างเพราะว่ามันมีสังขารคอยคอยบัญชาการอยู่ดังนั้นเราต้องตาเราต้องการตัดกิเลสเราไม่ตัดก็ได้แต่หยุดจะใช้มันคืออย่าใช้มันเราหยุดนะ หยุดให้ได้ตั้งสติบอกฉันจะหยุดอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหนเลยระลึกอยู่ตรงนี้จะไม่ไประลึกอย่างอื่นเลยในบางคนบอกมันเป็นไปไม่ได้ระลึกที่เดียวจนไม่ไปที่อื่นก็ระลึกได้ไม่ใช่ระลึกไม่ได้ขอให้มีความตั้งใจในการระลึกตรงนั้นทั้งนั้นการปฏิบัติทำเพื่อใพ้นทุกข์ได้นั้นมันต้องหยุดเท่านั้นถึงจะพ้นทุกข์ได้ แต่ถ้าไม่หยุดมันก็พ้นไม่ได้นะตรงกุศลญาจะบอกว่าท่านหยุดแล้วน่ะง่ายๆเลยถ้างั้นการภาวนาของเราอะถ้าภาวนาเหมือนที่จะมาพูดตรงนี้ตรงนี้สุดถ้าจิดอยู่ตรงนี้จะพิจารณากายไม่ได้เพราะพิจารณากายไม่ได้เพราะเราหยุดเราหยุดอยู่กับความว่างเลยไม่จะมีกายจะต้องมาพิจารณา เพราะว่างกายหมดแล้วจะพิจารณากายได้ยังไงให้พิจารณากายทั้งหมดเป็นอสุภกรรมฐานเป็นอ น, นุนะเพราะว่าเพื่ อ, อประสู่ความว่างตรงนี้แต่พิจารณาแล้วก็มาไม่ได้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าพิจารณาอย่างนั้นนะจะ่ถามว่าเป็นไตรลักษณ์ได้ไหมไม่ได้เพราะพิจารณาไม่หยุดแต่ถ้าเราหยุดปั๊บมันจะเกิดมันจะปล่อยทันเองนะ ดังนั้นจิตที่พูดถึงตรงเนี้ยจะมาพิจารณาธาตุสี่ขันห้า 4, หรือไรอะ่ะอ น, นิจจังตุ ก, กังหรืออะไรก็แล้วแต่คือจิตมันบล็อกเข า, าเองมันมันมันอยู่มันอยู่ในความว่างแล้วจะพิจารณาไม่ได้บางคนบอกว่าจิตอยู่เฉยเฉยจิตอยู่เฉยเฉยไม่เห็นทำอะไรรู้อยู่เฉยเฉยรู้อยู่เฉยเฉยไม่เห็นทำอะไรเลยบางคนว่าจิตอยู่เฉยเฉย ที่ไม่ทำอะไรที่อยู่เฉยๆตรงนั้นนะ่ะความจริงปกติการปฏิบัติทำเพื่อไปให้จิตอยู่เฉยนั่นเองเฉยเหมือนกันนะแบบไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเฉย อ, อยู่ในความว่างถ้าเรามีความว่าจิต ว, ว, วางเฉยทั้งหมดนะรู้อยู่แต่ไม่มีรูปร่างรู้อยู่ในความว่างวางแบบบ้างแบบรู้นะก็อยู่อย่างนั้นตลอดไป จะไปพิจารณากายก็ไม่ได้ไม่ได้เลยบางคนก็นึกว่าจิตตัวเองน่ะไม่มีปัญญาถ้าถ้าจิตมันอยู่เฉยได้ในกรรมมันก็มีปัญญาอยู่แล้วปัญญาคุมถึงถึงจะเป็นเฉยได้คือวางเฉยถ้าไม่ใช้ปัญญามันจะวางไดอย่างไงอะปัญญาตรงนี้ตั้งชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาไม่ใช่ปัญญาสังขารปัญญาวิปัสสนามันจะวางบดรู้วาง แต่ปัญญาสังขารจะรู้และไม่วางปรุงแต่งเราบางคนก็จิตอยู่ตรง น, นี้เถอะแล้วก็มาปรุงแต่งต่อเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเกิดความรู้เท่ารู้ทันสุดท้ายเราก็เลยมาเป็นาธาตุของสังขารก็ปรุงอยู่นั่นน่ะถามปัญญาอะไรปัญญาสังขารแล้วถามมาสิ้นสุดไหมไม่สิ้นสุดแล้วจบไหมไม่จบจบไม่ได้ เพราะปราดใดเอาสังขารมาเป็นจิตจิตมาเป็นสังข า, งงา ร, ราาทังนั้นการภาวนาตรงนี้ญาติโยมทั้งหลายที่มาปังวันนี้ก็ลองลองหยุดนึกหยุดมันจะไปไหนก็พยาพึ่งไปในน า, นาทีนี้จะหยุดอยู่ตรงนี้จะไม่หยุดที่อื่นจะไม่ไปทางอื่นจะนึกอยู่ตรงนี้นึกอยู่ตรงไหนสุดลมตรงไหนก็นึกตรงนั้นจะนึกที่นึกที่อื่นได้ไหมไม่เอา อถ้าสุดว่าลมนี่มันเข้าไหนสุดแล้วเข้าไหนโอวันนี้โกน้องเข้าไหนสุดท้ายลมเนี่ยจะเข้าไปสัมผัสในร่างกายเราได้ว่าลมนี่ลมไปถึงสุดไหนอ่าถ้าลมจุดตรงไหนเราก็ไม่ต้องไปอ่านมันเพราะเราไม่ไปกลั้นลมหายใจนะเพราะการระลึกตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับลมหายใจนะเพราะเป็นการระลึกรู้รู้อยู่ตรงนั้นอนะลมจะออกก็เรื่องมันไปก็ไม่ไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปตามระลึกเข้าระลึกออก ให้ระลึกอยู่ตรงนั้นนะสุดท้ายจิตของเราก็จะเด่นชัดขึ้นมาทันทีง่ายๆไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยการปฏิบัติไม่ยากในการเข้าสมาธิเหมือนกันบางคนบอกว่าต้องเข้าสมาธิแล้วถอนสมาธิไม่จำเป็นต้ อ, นะถอถถงถอนนะไม่จำเป็นถอนตัดทำไมต้องถอนนะถ้ามันเข้าแล้วก็เข้าไปเลยทํางานก็ทําไปเออ เพราะสมาธิมันมีความตั้งมั่นในสติความระลึกรู้อยู่ภายในกายนั่นเขาเรียกสมาธิเรามีความระลึกอยู่ตรงนี้จ่จะเป็นต้องถอนด้วยเหรอเพราะกายทำงานก็ทำไปไอตัวสติตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้น่ไม่เห็นจะมันจะขัดข้องกันตรงไห น, นเข้าแล้วไม่ต้องถอนเพราะการระลึกเนี่ยเลือกได้ถ้งนั้นถึงการปฏิบัติธรรมมันมีกุศล กูสโลบายเยอะแต่เราก็มาเอาในการที่ให้มันพอดีพองาพอางามเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายก็ปฏิบัติกันมาเยอะฟังเทศมาเยอะถึงตระมาก็เคยถามบางคนบอกเขาเคยอยู่บรราสมาสามสิบปีแล้วตรมาถามว่าเอา้าแล้วอยู่บรรตาดได้อะไรจากลงตางบ้างก็ได้ภาวนาแล้วภาวนาเป็นไงบ้าง กิเลสเยอะต้องต่อสู้กับอารมณ์เยอะอา้าวดีมากเนี่ยตอนลงตายตอนลงตายหยุดไม่มีกิเลสไม่เอาไปคิดไปคิดตอนลงตามีกิเลสไอ้ตอนลงตาไม่มีกิเลสตอนลงตารู้ทาไม่เคยเอาไปคิดแม้แต่นิดเดียวเลยไปคิดตอนลงตาต่อสู้กับอารมณ์ลงตาที่ยังไม่เจอจิตต่อสู้ถต่แล้วมันเจอจิตก็เลยไปเอาไอ้ตรงนั้นมาใช้ ความจริงเราไปลัดเอาตรงที่หลวงตารู้ทำไม่ดีเหลือที่หลวงตารู้ทำนะท่านต่อสู้มาทั้งหมดหเพราะอะไรเพราะตั้นต่อสู้เพื่อหาธรรมะจุดท้ายท่านก็หาด้วยอย่างความระบากเพราะจิตท่านเสื่อมท่านเสื่อมหลวงตา ก, ก็เลยทำยังไงก็สู้สู้ก็ไม่ชนะหลวงตา ก, ก็เลยสู้อยู่กับที่ ซูอยู่กะที ing, ่งตาก็คือพุทโธพุทโธพุโธนพุตโตโตโตโตโตโตโตโตยตโตโตโตโตโตโตโไโตโตนตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตรงนี้ตโตโตโตโตโต้ตโตโตโตโตโตโตโต่ตโตเตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตรงโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโงโตโตโตโตโตโตโตโตาตโตาตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตโตตโตโตตโตโตตต ในตอนล้มตาแพ้ไปคิดตอนล้มตาชนะนี่ล้มตาชนะแบบไหนล้มตาเทศให้เห็นชัดเจนเลยแลย้วทําไมสเก็ตทําตรงนี้ไม่เอาไม่ใช้กันบ้างนะตอนนี้ตามาเองที่ตามาจะใช้ตรงนี้ตามาก็ใช้ตอนตอนพระพุทธเจ้าหาธรรมตาตมาไม่เอาตรงนั้นมาเอาตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะรู้ธรรมะ ก่อนจะรู้ทำปฏิบัติทำมาเยอะหกปีธรมานมาทั้งหมดก็ไม่บรรลุธรรมทีทียานก็มีฌานก็มีเจวิยะมติยานก็มีมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยไม่ได้ก็ไม่บรรลุธรรมทีทีสุดท้ายพระองค์ท่านก็ผ่อนคลายผ่อนคลายจากการเร่งความเีย็นสุดก็ต้องถอยกลับมาก็ไม่จากแม้แต่พระอินทนไม่ไหวต้องไปติดทัตึงขึ้นไปก็ขาดอย่างเดียว ไม่บรรลุธรรมแน่นอนพระพุทธเจ้าทุกผ่อนคลายเขาเรื่องมัจจิมาปฏิปทาเป็นสายกลางตอนนี้สายกลางเสร็จแล้วเบอร์นักคนเราบานต้องถอยเดินหน้าเสร็จแล้วก็ไม่มีใครศรัทธาแม้แต่เป็นสาวกก็ไม่ศรัทธาเพราะว่านักสู้อะไรอยู่ๆก็ถอยเลยแบบนี้ไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสแต่พระพุทธเจ้าท่านถอยมาท่านมีอุบายวิธีการถอย การถอยขราวออกมาเสร็จแล้วท่านไปอยู่ริมน้ำในรัญชราวาสริมน้ำในรัญชราวาสนั้นใต้ต้นโพน่ะนะเนื่อเขก็เรียกประวัติศาสตร์มาว่าอย่างนั้นแต่ทาไมาคิดว่าท่านเองท่านต้องพิจารณาน้ำน้ำมันไหลแล้วไม่กลับไหลแล้วไม่กลับแต่เราจะอยากให้น้ำมันกลับมามันคงไม่ได้ ท่านไปพิจารณาน้าตรงนั้นเสร็จแล้วนานสุดชดา ก, ก็มาถวายข้าวเรืองค์ท่านฉันฉันอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้ไปฉันอยู่บนยอดเขานะฉันเสร็จแล้วก็ลอยถาดไปลอยถาดไปถาดก็ทวนน้ําไปมันก็ไปจนสุดนูต้นน้ําอยู่ตรงไหนไม่รู้ในช่วงต้นน้ําตรงนั้นมันจะเป็นวังพญานาคพญานาคเป็นผู้เฝ้า เท่าถาดถาดผู้เป็นศารดาเอกของโลกที่ใครัะรู้เกิดขึ้นพญานาเป็นผู้รู้ก่อนเพื่อนพระพุทธเจ้าก็ลอยถาดไปสุดท้ายก็ลงไปลงไปในในใ น, ในวังพญานาคตรงนั้นอ่ะในถ้าพญานาคก็แพรทับกันพญานาคก็ตื่นขึ้นมาโอ้มีศารดาเกิดขึ้นในโลกนี้แต่ในช่วงตรงนั้นอ่ะมันก็มีเหตุผลว่าพระพุทธเจ้ามานั่งบอกว่า ถ้าไม่รู้ธทมก็จะไม่รู้เชืว่าพอดีพระองค์ ท, ท่านปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรแต่ทุดท้ายก็มีส ต, ติระ ล, ลึกรู้ส ต, ตินั้นก็คือน้อมเข้ามาสู่ข้าในปั๊บคือฌ า, านนอกท่านมีแล้วฌ า, านนอกท่านมีแต่ฌานในไม่มีก็เลยมานึกไปข้างในปั๊บก็จิตมันก็ลงพลัดลงไปลงไปก็เหมือนลงไปเหมือนคล้ายๆน้ำเย็นนี่แหละลงไปจนไปถึงความว่าง พระพุทธเจ้าก็รู้ทำเพราะตกจิตนั้นไปไปสู่ความว่างก็รู้เลยบรรลุธรรมตอนที่ไปจิตมันลงตรงนี้ทั้านั้นที่จะมาให้กินน้ําเย็นก็เหมือนน้าเย็นก็เหมือนถาดพระพุทธเจ้าลอยไปเออท่ามพญานาค ก, ก็อยู่ในท้องน้อยเราเลยฮะมันเย็นอยู่ตรงนั้นถามมันมีมันอยู่ตรงนี้แล้วมันจะไปไหนได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าอยู่ที่อื่ไปได้ไหมได้แต่ถ้าอยู่ตรงนี้ไปได้ไหมไม่ไ ด, ไได้นั่นแหละเลยก็ไปเอาลักษณะตรงนั้นมาจอด มาประยุกต์ในการสอนเพื่อว่าให้มันสอดคล้องในการว่าน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ในการภาวนาบ้างไม่มากก็น้อยเพราะครูบาอาจารย์ท่านสอนมาเยอะทุกทีตัวอย่างท่านสอนมาเยอะแล้วเราก็ไอ้คูทุโรบายตัว น, นี้มาประยุกต์ในการสอนที่การสอนไม่ใช่เกิดขึ้นไม่ใช่เราคิดว่ามันเกิดขึ้นในตัวเองแล้วและเป็นแล้วทึงเอามาประยุกต์การสอนว่าจิตมันลงจิตมันลงไปจิตที่เบธธรรมะมันเป็นของเย็น ธรรมะต้องลงถึงจะเป็นธรรมได้ลงไปสู่ความว่างถึงจะเป็นธรรมได้ถ้าลงไปแล้วไม่ว่างก็ไม่เป็นธรรมก็เลยเอาตัวนี้มาประยุกต์กันเข้าท่านลวงตาท่านต้องหยุดท่านหยุดเลยหยุดหยุดจนสุดท้ายจิตท่านก็ลงไปลงเลยตอนนี้ลงไปสู่สมาธิสมาธิท่านก็จะมายอมแพ้สุดท้ายท่านก็เลยจิตท่านก็ไปสู่ความว่างเพราะว่างที่ไรเพราะท่านไม่ไปไหน ท่านไม่รับเพราะแต่ก่อนท่านรับแต่ก่อนรับอารมณ์ก่าวหลังอารมณ์นี่ไม่เป็นมันเป็นศัตรูแก่เราก็เลยไม่ต้องรับนั้นจิตหลงตาที่เกิดความเสริมขึ้นมาก็พรมาจิตตรงนี้แต่วิธีการสู้ของท่านอนะ่ะสู้ย้ำย้ำอยู่กับที่คือสติระลึกรู้อยู่ตรงนั้นไม่ระลึกอย่างอื่นเลยนะไม่เลือกอย่างอื่นเลยลึกๆ ๆ, ๆๆตรงนั้นนะถ้าญาณโยมลองระลึกดูเหมือนที่ธรรมาบอกนะสูตรลมลึกๆไปสุดตรงไหนก็ เอาตรงนั้นหรไม่เอาก็เอาน้ําเย็นก็ประมาณสักแก้วหนึ่งไปน้ําเย็นลงไปหึืขนาดไหนก็ให้ดูว่าน้ําเย็นอยู่ตรงนี้อย่าไปนึกอย่างอื่นเหนกันนึกแค่ระลึกนึกแค่ให้นึกถึงความเย็นตรงนี้เย็นไม่เย็นก็แล้วแต่ก็นึกว่ามันเย็นมันเคยเย็นตรงนี้แต่ถ้าความเย็นหายแล้วก็ไม่เป็นไรนึกตรงนี้นึกนึกไปเดี๋ยวความเย็นเกิดขึ้นมาใหม่แป๊บเดียวเนี่ยไม่ยากไม่ยากไม่ลําบากนะ วันนี้ก็คือการมาพูดธรรมะก็มาเสริมสร้างเสริมสร้างวิธีการปฏิบัติเพื่อให้จิตที่เป็นสมาธิให้เป็นคงญาติโยมทั้งหลายก็โยมก็คือเยอะอยู่แล้วเป็นเป็นอยู่แล้วตั้คนทุกคนเป็นอันนี้คือมาเสริมสร้างความเป้าหมายอันแท้จริงของเราก็คือตรงนั้น อ, อย่างอื่นไม่มีแต่จะให้ธรรมาพูดเรื่องเจตวิมุติญาณอภิญญาทั้งหลายเลอะเลือชาติหน้าชาติหลังชาติโน้นจาตเนี่ยธรรมะใน อันนี้จะมายกทงข่าวเลยนะหมดวาดสนาแล้วก็หมดปัญญาจะไปลลึกอะไรได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราลึกได้ขนาดนั้นทำไมเราไม่เลลึกถึงตัวเองให้หยุดอยู่กับธรรมได้ลนะ่ะทำไมไม่เลลึกบ้างล่ะไปลลึกตรงนั้นได้ยังไงอันนี้เขาเลือกถ้าตามภาษาอาต ม, มานะพูดพูดตามภาษาอตาตมวาว่ามันจบเนยเนอะไรอ่นยละคุณเพราะไม่นึกถึงตัวเองไปนึกถึงอย่างอื่นแทน ตัวแท้ตัวเองอยู่แท้ๆเลยปลเป็นนึกนู่นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนู่นไปเห็นบินยงบิญญาณต่างๆนั้นอะ่ะโอ้โหนึกได้ขนาดนั้นเลยนึกกัญญาโยมก็นึกว่าโอโพระทรงทรงมีตาทิพย์หูทิพย์อย่างงู้นงนั้นอ่างนั้ก็เลย ก, ก็เลยก็อยากเป็นแต่นั้นไม่ต้องน้องนะวันนี้ก็การมาเริญจ้างพลังสติให้เกิดสมาธิไปสู่ความว่าง วันนี้ก็ทามาที่ว่าการอธิบายก็น่าจะสมควรพอมีความเข้าใจไม่มากนะไม่มากไม่ต้องเอามากเพราะทมาเคยบอกแล้วลว่าหนึ่งเราจะไม่เทศให้คนเป็นพันฝังหรือคนเป็นร้อยฝังหรือคนห้าสิบคนฝังเราจะเทศให้คนแค่สองคนฝังคนสองคนให่ฟังเท่านั้นเอาแค่สองคนก็พอแล้ว ผู้หญิงก็ผู้ชายนะแค่นั้นนะเทศให้มาให้ฟังแค่แมแค่ผู้หญิงก็ผู้ชายเท่านั้นแหละอ่าแต่เพื่อให้กระเทยฟังก็แล้วแต่จะมาก็ได้มาฟังก็ได้ก็เลยเอาแค่เนี้ดังั้นกันฟังเทศวันนี้ก็สมควรเวลานะอาจารย์ก็ไม่ถึงเอวังเพราะไม่ตั้งนะโมก็ไม่ต้องเอวังก็จบแค่เนี้อืม ก็โยมสงสัยก็ถามหน่อยก็ได้ถ้าอยากถามแต่อยาถามมากนะไม่ได้นะโยมก็จะการปฏิบัติก็สงสัยเนี่ยใช่ไหมโยมไหนกิเลสเยอะก็ลองวามรูอันนี้เอาน้ำเย็นมาพร้ อ, อมเอาประทานไว้ยังไงถามแบบใจดำอ ถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องถามแต่ถ้าหยุดได้สบายถ้าหยุดปั๊บจิตมันจะว่างแต่ที่เราไม่ว่างเพราะเราไม่ยอมหยุดกเมื่อเราหยุดเนี่ยว่างหมดไหมไม่งานทำไหมไ ม, ม่นี่ในขนาดตัวหยุดยังว่างได้เลยนะว่างงานถ้าจิตหยุดมันจะว่างขนาดไหนอ่ะโอ้โหมันจะธรรมดานะ นี่แต่ละจิตหยุดง่ายๆเลยก็คงไม่มีคนสงสัยนะเพราะทุกคนก็เข้าใจธรรมะหมดแล้วฮะยังไม่เข้าใจนั่นสบายถามมาเลย จะพาไปไล่จับก เ, เมนตีหนึ่งอะดูที่มันคัดข้องไหมที่ภาวนานีอนะะเอาค่ะอยากจะเรียนถามนะคะว่าการรักษาสิ่ห้นะคะจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะคะที่จะเป็นการข้อที่ว่ามูสาการโกหกนะคะก็คือจากหน้าที่การทำงานของเราแล้วนะคะในแต่ละวันนะคะก็อาจจะมีการพูดปดบ้าง น, นะคะก็เลยอยากจะ ถามว่าจ ะ, ะเราจะบังไหมนะคะคในตอนนี้ค่ะนะสินห้าเ น, นี่น ะ, นะตอนพูดได้อาจจะรัษาไม่ได้แต่รัษาได้ตอนนอนหลับถามนอนหลับมีมีผิดสินไหมเอาตอนนอนหลับเลยอะฮะตื่นขึ้นมาไม่เป็นไรเออเพราะสินห้ามันมีไม่เคยขาดบทนะ ไม่มีใครขาดบทั้งห้าดอกขาดสองก็เหลือสามขาดสามก็เหลือสองไม่เคยหมดนะนะแต่มาตรฐานบุคคลที่มีศาสนาปที่คนไทยทั้งหมดคือสินห้าสินห้าทุกคนมีกันทุกคนไม่ว่าไปงานแต่งก็ปานาติปาตาเวรม่ขอทุกคนไม่เคยมีใครขอสิน1ิบดอก ไม่เคยเลยไม่เคยเห็นงานไหนขอศินแปดนอกจากงานอุโบสถสามัคคีโยมชุดขาวขอศินแปดสินอุโบสถถ้างั้นจะกินเหล้าหรือจะทําอะไรก็ไม่เคยขอสินสิบได้หรอกแค่สินห้านั่นแหละถ้างั้นสินห้าที่พูดนี่คือตรงนี้เใจไหมมาตรฐานบุคคลที่มีตาตาะคือสินห้าอาการรักษาหมดหรือไม่หมดพระสอรีเจกาตมาแั่ท่านเจ้าคุณเนี่ย ถามว่ารักษาได้สองร้ยเจ็ดไหมเนี่ยไม่ได้หรอกยิ่งถาสมาด้วยเราพิษบ่อยเออสมาพิษบ่อยสมาก็เลยรักษาสินสั้นสั้นสินใจเอาสินใจอะ่ะเน่ยไม่โกรธไม่เกลียดคนเนีย่ยไม่ใจร้ายกับใครใจดีทุกคนเหมือนหมาเป็ใจดีหมดคนชั่วคนดีก็ดีหมดนั้นแหะ เขาเลือกสินใจเรารักษาสินใจให้ดีหมดมันก็เป็นอมตะสินง่ายๆเลยเออเอาตรงนั้นแหละก็เลยพมันเจอะเกินไปโอ้สินสองร้อยเจ็ดไม่ไหวดิเด้บางคนบอกพระต้องสินครบโอ้ยอตะมาบอกพระขอให้สินสิบครบเนี่ยเป็นพระแล้วเออตอนนี้สินบางพระก็พระเราก็สินไม่ครบแล้วนะตอนนี้นะเพราะอะไรอ่ะบางครั้งสิน สิบแปดยังไม่ครบเลยอ่ ะ, อะตอนนี้ก็ขิดสินข้อที่หกจะผิดบ่อยมีกาละโพชนะเวระมนียาร้อนหวร่อยมากถวยเล่าถวยเล่าอยากกินอะไรก็เป็นยาหมดไม่รู้วินัยเลยวินัยเขาบัญญัติว่ายังไง นันนไม่เหลือสินเลย น, นันน่ะมันแพงโยมเลยเนนั่งกินแบบไม่เกรงใจโยมเลยพระเดปพระคุณไม่กล้ากินหรอกเพราะเป็นเจ้าคณะจังหวัดมัณฑมาไม่กล้าฉันแต่นอกน้อยฉันหมดนี่คือผิดสินสินตรงนี้ชัดเจนที่สุดกล้าแสดงกล้า ก, กินต่อหน้าสาธารณชนเลยนะและโยมก็กล้าแกงให้พระกินด้วยนะสะใจมากชืนอกชื่นใจ ชาแก่น้อยเอ้ยรากบัวเอ้ยชกไ้วยเอ้ยอยากกินอะไรเป็นยาหมดลูกน้องอาตมาไปเอาลูกจันถวายเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดประมาณสองทุ่มบอกใต้เท้าเป็นยาเป็นยาอันนี้เป็นยาสุดท้ายท่านให้ไปจา้าไปซื้อราดหน้าหน้าวัดอันนั้นก็เป็นยาเหมือนกันเออ เพราะราคาถูกกว่าตัวนี้ไม่เห็นไหมตอนนี้ญาญโยมทั้งหลายเนี่ยตามานนะเป็นพระนะตามาแต่จังหวัดสุรินตามาห้ามเลยนะถ้าใครเกลีย ก, กินยาร้อนให้ย้ายจังหวัดออกจากจังหวัดสุรินเลยจังหวัดไหนก็กินให้เป็นอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดสุรินใจใจดําจะไม่กินแล้วองค์ไหนจะกินเม็ดทางตะวันนะ่ะจังหวัดไหนก็กินเม็ดเม็ดทางตะวันไนดะ้ย้ายไปเลย ย้ายไปเลยดีกว่าฮะเพราะเจ้าคณะจังหวัดไม่กินมันจะใหญ่กับเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องย้ายจังหวัดกันเลย เ, ยเอาถึงค็หนักใจํามากนะเลยองไหนจะกินเจ้าแก่น้อยจังหวัดไหนก็กินได้ไปเลยไปเลยเ ม, มืองมนท่านไปแล้วครับอยา่าคืนอยู่ตรงนี้เลยครับเพราะผมปัญญาน้อยมากปัญญาเรานิดเดียวแล้วมาทําอย่างนี้มันจะเหลืออะไรเลยที่จังหวัดสุรินห้ามเลยนะ เออไม่ได้นะใครจะกินได้จะกินไปเถอะแต่ในวินัยไม่ได้บัญญตัติให้กินได้ถ้าไม่ดูวินัยก็พากันแดดไปเลยอาตมาเจอพระโยมด่าแล้วโยมหลวงพ่อท่านเอาไอย้ยาร้อนไปให้สมเด็จวันเอาสมเด็จทีริยาวันงานหลวงตามาเป็นทาต่าวกโยมงเอามาทำไมไอันี้มันผิดวินยัย นีแต่พระดํานี่แหละทําอะไรก็พรชมดอง้มอื่นก็เห็นก็เดกเอาเดกเอามี่แต่พระดำมันก็บรรเดกเขาเาให้อะไรก็เดกอ้ยนี้ก็ะเดกเมื่อใดเอ้นุกก็ะเดกเ่อด้พระพี่บ้านกระเดกเมื่อใดทุกอย่างเลยอ่ะโอ้ยแกพูดใส่ใจมากกว่าแต่มาไม่เดกกับเขาเลยฮะอุ้มอื่นอ่ะให้อะไรก็เดกหมดเลยโอ้โหโยมคิดดูนะนี่โยมพูดนะ งั้นโยมอย่าไปส่งเสริมนะพระอยากกินอะไรอะอาตมาว่าน่าจะหยุดเลยแล้วนะเพราะจริงๆมันไม่ถูกต้องจริงๆใครว่าถูกก็เอาดินายมาอ่านดูเถอะท่านเดสนะท่านเดสก็อยู่บ้านจ่าอาตมาบอกท่านเดสอยู่บ้านจ่าได้อะไรจากล้มตาบ้างโอ้อาจารย์เอ้ยด่าเช้าด่นด่าด่า จ, น จ, นจนผมทนไม่ไหวผมหนีจากบ้านจ่าเลยฮะท่านเดสนะ ไปอยู่ภูทอะกับหลวงพ่อจวนก็เลยให้แม่ออกอไปต้มผักหนอกมากินหลวงพ่อจวนบอกว่ากูอ่านพระไตรปิฎกแล้วไม่เห็นผักหนอกไม่เห็นมีผักหนอกมึงมากินได้ยังไงอะ่ะนี่นลดพระไตรปิฎกแล้วนะไม่มีผักหนอกเลยอะ่ะโอ้โหเห็นไหมสุดท้ายก็หลวงพ่อจวนด่าเสร็จมาอยู่กับคุณจารสิงทองแกไปต้มใบใบพลูนะมาต้มยาร้อนก็ไปนี่ไบ กุญแจินทองบอกน้ำต้มไก่น้ำต้ไตมไก่ท่านเดชโอ้แต่มาบอกท่านเดชเป็นคนมีวาสนาที่สุดนะสุดท้ายก็มาอยู่บ้านถาดก็ไปกินยาร้อนล้มตาก็าอาหารหมาล้มตาบอกนี่อาหารหมาหมากินตมาก็เลยยกย่องท่านเดชเปรเดชเนี่ยนะท่านเป็นพระประเสริฐที่สุดเลยนะ เพราะเป็นพระรู้เลยนะรู้จริงด้วยไม่ใช่รู้ปลอมเลยนะหนึ่งพักหนอกไม่มีในพระไตรปิฎกไปถึงกุญแจชิงทองน้ำต้มไก่มาเจอบ้านตาดหาอาหารหมาถ้าสามอย่างนี้ตะคืนท่านฉันนะท่านไม่เหลืออะไรเลยนะนนี้ความเป็นพระท่านก็นหายหมดเลยวันนั้นท่านเดดอดเลยนั่งข้างๆตมาเขาเอายาร้อนมาปุ๊บ มาตั้งหน้าหลวงพ่อบุญธรรมตมาก็ยิบออกมาเอ้าทาไมเอาออกถามอยู่บรรดาศึกมีไหมเนี่ยตอนอยู่ด้วยกันที่บรรดาศึกมีไหมไอเนี่ยอย่าร้อนเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีทำไมจึงขันน่ะก็เขาถวายแล้วเอ้าก็เจียวห่อน บ, บอริวรสั่งมาเนาะต้มเปื่อยก็ได้ทั่วเออเหมือนกันเลยก็ไม่ให้กินหลวงพ่อบุญทันไม่กินท่านเดชก็อด ตอนนี้หลวงพ่อใหม่มาเอ้าทำไมหลวงพ่อใหม่ท่านฉันได้ก็ชื่อท่านเป็นพระใหม่อันนี้พระเก่าอดเลยโอ้ยแต่เยือนจนไรจริงๆหลวงไม่ได้ฉันเลยวันนั้นอดฉันเลยเลยเขาหลังไม่ไม่อย่างพบหน้าตามาเพราะถ้าตามาเดินไปเขาจะแตกกระหนกเลยนะเขาบอกเดี๋ยวมันมาดา่าเราอีกแล้วนี่โยมนั่โยมเท่านั้นน่ะถ้านโยมทําทไปนะโยมนี่ยทำพระให้ผิดศีล อ่านวินัยบ้างเดี๋ยวจะเป็นพระอรัตชีโยมอรัตชีไปด้วยกันเนะี่ยยุ่งนะเออระวังให้ดีนะตะมาไม่เอามีชีเกียรตบอกหุยหลวงพ่อหลุยเออหลวงปู่ชอบท่านก็เคยฉันโอ้หลวงปู่ชอบอาตม า, ต อ, มาอายุเท่าไหร่โยมใช่ไหลวงปู่ชอบอายุเท่าไหร่เราอายุเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่ฉันไม่จะตายไหมเนี่ยแอบเห็นไหม ตอนนี้พวกเราวนาาน้ำราบบัวนะมันอิ่มนะใช่ไหมเออชฉากลวยต่อมาเจอฉันเ้ากลวยโยมไปฉันที่ภูกเก็ตเขาบอกเป็นยายเย็นเรานั่งกับเพื่อนหลายคนไอ้ไม่ฉันก็ยังไงอยู่บอกฉันดิฉันดิยายเย็นยายเย็น <c oughs> เอาไงวะก็ล้ว มันจําเป็นนะเพืพ่อคุณตากเลยฮะพกพัเขอบปากมันก็อะไรก็กระกระกระกรกฮอดทองน้อยมันเย็นเนี่ยถึงทองน้อยเลยสักพักหนึ่งมันม้นมวนกลับขึ้นกะกรกระกกรออกเลยยังไม่ได้เคี้ยวไปแบบไหนก็ไปแบบนั้นออกมาปอกเลยเอา้าเขาบอกทําไมทั้งคายออก คือปากผมมันยังไรแต่ไท้องผมมันมีสินตั้งแต่บวชมาไม่เคยมีเ้าก้วยไปเลยมันบอกไอ้แขกไม่รับเชิญมันมาทำไมวะไล่มันกลับซะเลยวันนั้นเลยมันก็ไล่กลับได้จริงๆด้วยนะเออตอนนี้พระท่านฉันแล้วโยมเขาจะไหมไม่ได้ฉันไม่ได้เพราะท้องท่านเอาไปใส่แล้วรู้จักกันยาร้อนเคยรู้จักกันแล้ว ไม่ได้ฉันไม่ชี้ไปต้มมาเพราะมันหิวมันเคยมันติดแล้วนะตอนนี้ติดนะติดนะติดไวมากอาหารเนี่ยไวยมากถ้าไม่ได้ฉันกระวนกระวายเพราะทอมันว่างเออเหมือนอะไรก็แล้วแต่อย่าไปอัดมันอัดน้ําเปล่านี่กว่าแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วเยอะโอยเม็ทางตะวันชุกเนยทอดแล้วก็เน่ยปิ้งอีกโห้ย โยมสรรหาอะไรโอ้โหมีที่ไหนอ่ะก็ดูบ้างนะอันนี้ฝากไว้นะอาตมาเนี่ยอย่าไปเชื่อนะที่พูดโยมอย่าเชื่ออาตมาถ้าเชื่อแล้วโยมจะไม่ได้ทําให้พระฉันจะเชื่อนะไม่ใช่พูดอะไรเชื่อหมดนะเออถ้าเชื่อเมื่อไหร่พระจะด่ายโยมเลยจะไปปาล์มหลวงแต่เยื่อยังไงรู้แกนะ่ยเคยข่าวไหม จะดำตลอดเพราะจิตแกเป็นอย่างนี้ถ้าจิตแกดีจริงๆวันนี้แกขาวแล้วลวะนั่นก็พกเพราะแกไม่เนี่ยก็ะจิงอยู่ที่ไม่ฉันก็เพราะวันมันดำถ้าฉันอีกยู่มือจะเหลือสีอะไรให้เขาวว่างอัตมาคงไว้อย่างน้อยก็ผิวเนียนๆก็ยังดีอ่ะก็เลยนี่แหะเคยไม่ซื้อเม็ดทางตะวันฉันอหะรู้พิษอะไร บบ อ, อ, อก็นั่นน่ะในวินยัยในปลายปิตกมีมไหมในปลายปิตกให้กินได้เหรอเราก็นั่นตีเราต้องดูตรง น, นั้นพระอาพาธพะอาพาธมีความจำเป็นถึงจะชันได้แต่ น, นี้เล่นหมดทั้งพันองค์ฮิบวยหมดหรอ <c oughs> เล่นโตรุ่ ง, งหรือโยมโอย ตมาไม่จะว่าไงตมาพูดไม่ออกหรอกเพก็เลยเอาเอาตัวเองดีกว่าจะเอาเลยตมายังไม่เคยนะไม่ไม่เคยนะตั้งแต่เขามีมาไม่เคยนะแล้วบางคนบอกายาร้อนได้เกิดจากบ้านตากตมาบอกยาร้อนเกิดจากบ้านตาดบ้านตากมันต้มเป็นที่ไหนวะเคยไหมฮะบ้านตากต้มได้เหรอฮะก็ชื่อบ้านตาดไม่จะต้มยาร้อนได้ยังไงวะ อาจริงๆเนี่ยมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้ดอกแต่มันไม่เชื่อดอกมากว่าเกิดจากบ้านตากมันเป็นไปไม่ได้บ้านตากมันต้มยาร้อนได้ยังไงอ่ะมันบ้านตากแล้วมีเตาร้อนด้วยเหรอไม่มีเขาบอกว่าเกิดจากวัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านตากก็ไม่เคยต้มยาร้อนมีแต่พระจางไรไปอยู่บ้านตากน่มันต้องกินเอง <c oughs> แล้วมาขายบ้านตาดใช่ไหม เออเรามาขายบ้านตาดว่าตันตาดไม่ดีบ้านตาดพาทำมาบ้านตาดไม่เคยทำก็อยู่บ้านตาดเหมือนกันไม่เห็นทำเลยก็มีแต่พระที่ก็บอกว่ า, าโยมบอกว่้ทํานนะทำงานเหนื่อยหุก็ต้มต้มเปื่อยไม่ดีหรือน้อต้มแซ่บสดเชื่อไหมยโยมมีโยมกลุ่มหนึ่งเขาลองเลยนะ แช่ตมาไม่บอกชื่อเขาบดเนื้อเลยฮะบดเนื้อก็ต้มยาร้อนหอ้ยพระท่านสดแซบแซบ่บเขาคิกว่าพระจะไม่ฉันนะอู้ยเล่นไปถึงสามถ้วยอะ่ะเพราะต้มเนื้อเนื้อเน่นะมันเขาบดเลยแล้วก็ใสก่กับนั่นพอดีเลยเขาลองดูว่าพระนะ่ะจะรู้สึกบ้างไหมรู้สึกเลยฉันได้ถึงสามจาน แล้วเคยไหมเคยถวายอืไม่เคยนะและและเรารู้ส <wh> <it culturally> ึกไงบ้างนะแล้วฉันกลางคืนเน่ยต้องไกลจริงๆก็ถึงว่าน่ตอนนี้โจรมันเปิดเผยกล้าหารชานชัยงานไหนเตอมหมดเลยก็เดียพระคุณอย่าให้มีนะมาสารคาม ถ้ามีก็ให้ย้ายไปนู่นกาลสินไปเอาจริงๆเนง่ยพุกนี่เลยย้ายเลยพวกนี้มีพวกนะความชั่วมีพวกเยอะแต่ความดีพวกน้อยน้อยมากเลยก <c oughs> ็โยมที่ดูพระเจ้ารู้ดีองค์เดียวใช่ไหมปัญจวัคคีย์ทั้งห้าทั้งห้าองค์มีพวกใช่ไหมพวกห้าองค์นี่ยรู้ทำคนเดียวทั้งนั้นอย่าเลยนะแล้วก็หลายอย่าง อะไรยเยลล่อไรเนี่ยเราไม่รู้จักใช่ไหมตมะอ้อ่ะแมอ่ะไอ้อ่ะไอ้ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อน้ำแข็งเลยนะก็ปั้นกระหมตอมตก็เห็นตอนเป็นเด็กเนี่ยนั่งเป็นทวยชดปุ๊บปโอ้ตอมะบอกทำได้ทุกอย่างนี้ตัวเนี่ยเนี่ยก็เลยก็ก็ดูเอานะถ้าเรารักษาพระสงฆ์ก็อย่าให้รักษาเถอะอย่าไปปล่อยปละละเลย ท่านโยมไม่ซื้อให้ท่านไปซื้อมาต้มเองดีกว่าแต่เคยเห็นแล้วซื้อจริงๆด้วย อ, อสั่งให้โยมโยมนี่สั่งไม่ได้ก็สั่งโยมนี้ฉลาดเลยนะ เ, เลือกคนสั่งสั่งให้ที่คนมันเชื่อเรามันก็ทําตามไอ้คนไม่เชื่อเรามันตมนตะแบงใส่เราก็เลยอดฉันอนี่แหละ ก, ก, ก็วันนี้ก็ตรงนี้แหละแล้วมีอะไรต่อหมดแล้วนะ มาเทศแล้วก็มาดาพระต่อพแม่ตาเล่ากำแงชันในบ้านตา้คนอ่ที่ยัม่เคยฟังเกี่ยวกับ่าทไมถึงสร้างกแบ้านตากชันเในเรื่องของการที่มีผู้ญกเข้าไปอ๋อโยมไม่เคยได้ยินเหรออแล้วลูกศิษย์บันตาจะมีรู้กี่องค์อะ มีองค์ไหนรู้บ้างว่ากำแพงมั่นตาาเกิดขึ้นมาจากอะไร ม, มีแค่ชั้นเดียวก็พอแล้วคือสองชั้นก็ได้คือมีชั้นเดียวก็ไมา่จากอย่างนี้โยมผู้หญิงก็ไม่นึกออกแต่ช่วงนั้นหลวงตาโดนศัตรูเยอะเพราะเสียนาภิขุใช่ไหมจำเ ก, กี่ยกุจ้าคุณเลมลธรรม ระดมใส่หลวงตาจุกุลธรรมนี้ก็ถือว่าลลวงตายกย่องหลวงปู่มั่นเหมือนสาสาราองใหม่ในพระเสียนาภิกุที่จังหวัดเลยก็โจมตีกันมันมากตีกันไปตีกันมามากช่วงปีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดช่วงที่หลวงตาไม่ดังหลวงตาไม่ดังก็กตีกขาว่าหลวงตายกย่องหลวงปู่มัน่น เหมือนเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเกิด เ, ออเขาเขาวี้อย่างนั้นก็เลยเขาก็ปีนซื้อตีกันแต่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาก็คงไม่รู้จะปลูกพันธุ์ตรงนั้นหรือเปล่าไม่น่าจะเป็นปลูกพันธุ์หรอกแต่ก็ขึ้นมาเขาก็เก่งนะผู้หญิงคนเดียวจะว่าเป็นบ้าก็ดูหน้าตาก็ไม่ได้บ้าดอกก็ปีนรั้วขึ้นปีนรัว้วหมดแต่ก่อนมันเป็นรั้วธรรมดาเป็นรั้วนามปีนมาได้ประมาณสี่ทุ่ม เป็นมาก็ตรงไปหากุลหลวงตาเลยเด้เออเก่งก็หลวงพ่อบุญทันนี่แหละนอนเฝ้าก็ท่านพงศ์ศักดิ์เสร็จแล้วว่าใครมาปับ๊บใช้ไปเป็นผู้หญิงมันก็วิ่งลงจากกุลหลวงตามันก็วิ่งเข้าป่าไปเลยแต่รองเท้าข้างหนึ่งนะ่ะมันทิ้งไว้ข้างหนึ่งที่บันไดหลวงตาถ้าสู้คดีความหลวงตาแพ้นะเกือบแพ้นะันนะ พอหลวงตาเอาค้างอยู่ดูที่มันฉาดวางแผนอย่างดีเลยมันไปค้างเดียวตอนนี้ตอตมาเป็นพระอุปถาคช่วงนั้นก็เลยก็คุยจางมีไปถามหลวงตาบอกว่าไปกราบเรีนหลวงตาว่ามีผู้หญิงขึ้นห้องหลวงตาเสร็จแล้วก็วิ่งหนีเข้าป่าหลวลงตาบอกว่ามันแล้วมันไปไหนไม่รู้และพระวัดตาวันตาเยอะขนาดนี้ผู้หญิงคนเดียวหาไม่เจอเหรอไม่เจอเลยฮะสุดท้ายบ่ายสามโมง ปัดกวาดมันไปรอกระท่อมหลวงตานั่นน่ะกระท่อมหลวงตาท่านจะมีกระท่อมหนิงกุฏิหนึ่งแล้วก็จะมีสลาห่างจากนี้ประมาณสักสองรอยเมตรสามรอยเมตรไปทำให้ท่านพักแล้วก็เดินยังกรงวันนั้นท่านมาตอนในตอนเช้าก็สุดท้ายวันนั้นฉันเสร็จแล้วท่านก็ให้เราไปบีบนวดท่านจนท่านหลับก็เลยท่านไม่ได้ไปที่กระท่อมโนนะกระท่อมโ้นไม่ได้ไป เสร็จล้ล่งตาก็ลงมาปั๊บก็ปัดกวาดก็ผู้หญิงคนนั้นมันเดินตามรอยถนนนั่นนะฮะข้างในอะ่ะล้างกุลล่งตาเนี่ยเดินมาเสร็จแล้วก็ท่านก็เลยเห็นปับ๊บตมาก็ปัดกวาดตนั้นท่านถามว่าทํามสรินผู้หญิงเมื่อคืนมันเป็นยังไงก็เลยบอกก็เลยกราบเรียงข้างๆงล่องตาบอกล่งตาผมว่าน่าจะใช่นะมันใช่แบบไหนวะรองเท้าข้างเดียว กองเท้าข้างเดียวโ อ, อ้มันก็ใช่เนาะไอ้ข้างนึ่งอยู่นี่เออมันมีข้างเดียวอะ่ะข้างหนึ่งอยู่ที่กองลุงตาข้างหนึ่งมันจ่ายไปด้วยก็เลยนี่มาตมาก็เลยบอกว่าพอออกก็ไปเนียกพอออกบอกว่าเออไปผู้หญิงคนนี้ไปอย่าไปทำบาป ก, กันนะบอกผู้หญิงนี่มีราคานะมีความสามารถสูงอย่าไปนี่นะลูกสาวใครลูกใครใครก็รักอย่าไปทําบาปเขาเดี๋ยวพวกเธอจะไปเขาไปข่มคืนไม่ได้นะ บาปกรรมหนักนะเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ปลาลปลงตาแต่เรามองแล้วเป็นคนที่มีประโยชน์อาจารย์มองไปคนลักตนมันข้ามก็ม่มีประโยชน์ตั้งแต่ผู้หญิงคนนี้ไปเราก็เฝ้าคนละสองชองั่วโมงสองชั่วโมงบางครั้งไม่ใช่คนเดินมาหมาเดินมามันใช่เปล่าคนละสองชองั่วโมงกลางคืนคนละสองชั่วโมงนุ่ม โอ้ตอนนี้ก็เลยเฝ้าเฝ้าไปรู้สึกห้ า, หาเดือนก็เลยปรึกษากันเลยสร้างกำแพงในกำแพงมั่นจาดเกิดจากผู้หญิงคนนี้นะถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เกิดหรอกออก็เลยสร้างกำแพงสร้างกำแพงคนคุมสร้างกำแพงคือใครคุณจานบุญมีตีสองไม่ยอมเลิกทํางานมือเพื่อนหนีกับหวด โอ้โห oh, ฉันไม่เดียวใช่ไหม mm hmm. คุณจานทร์มันมีท่านทําทํำเอาจริงจังนะที่สองอาตมาเอาตัวรอดได้เพราะเป็นผู้ประทานลุงตา mm hmm. ก็หลบฉาวไมาเลยแต่ผู้ประธานโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> oh, คุณจันท์มีท่านแถวเอาเลยนะท่าน ล, ล, ลุยเลยในะงานนะ mm hmm. บรรดานี่ก็ทํากันนะถ้าองค์ไหนเขาทํางานแล้วไม่ทํานะ mm hmm. จะไม่พูดด้วยเลยเจ็ดวันจะไม่พูดเลยเฉยเลยถา ม, มต่อไปต่อ คือว่าไม่สามาัคคีนะที่บรรดาศไม่สามาัคคีถ้างั้นบรรดาศจะทําอะไรก็ได้ยิงก๊อกเรมาเตรียมพร้อมช่วยกันกุฏิข้างหลังนะั้นมีแต่พระทําทั้งนั้นนะลงตามให้โยมทําบอกเดี๋ยวโยมไปวุ่นวายกับพระนะคนทํากุฏิเก่งที่สุดคืออาจารย์ประยู์แต่ตอนนี้เป็นทิศประยู์แล้วคนนี้ก็มีความสามารถเลยว่าตรงนี้เนี่ยเขวัดตัดตัตั ด, ต ด, ตดไปตี ต, ตีตีเลย แต่ที่ความขำที่สุดก็คือว่ากุฏ่เลยท่านชฉลีมามเนี่ยก็กำลังทำกันอยู่ท่านมาลามาลานี่เป็นเลนหลวงตาเป็นผู้บวชพาไปบวชวัดโทนสอนแล้วก็บวชพระให้ด้วยพาไปบวมมาลานี่จอมเซรอที่สุดเลยแชมป์บ้านตากบอกว่าพระเซ่อพระบ้าก็คือบ้ามาลาองค์เดียวชฉอยวันนั้นก็ทำกุฏ กูจันบุญมีกูจันลีจันอินตะวายท่นกำลังขึ้นไปตีกันท่านมาลาไปไปนอนอยู่ตรงกลางห้องทำให้เฉยดูนะตีตีให้ดีๆนะมาตียังไงไม่เข้าตาเลยอย่างางี้ไอ้ึงที่สนุกที่สุดว่าไรลวงตาไม่รู้มาจากไหนเลยน้ำครึ่งคูถังเ <laughs> ทหมดเลยเ <laughs> ทใส่ท่านมาลา ไอ้เราก็ดูลุงตาก็ท่างก็ขำดีนะทเทใส่เปียกหมดเลยเปียกหมดพอดีเลยให้เขาทางานเสื่ยงไม่ทํามานั่งนอนชี้เขาอยู่ได้เนี่ยลุงตาท่านก็ตลกกันนะไม่รู้เอาขู่ถังตักน้ามาจากไหนดอกเดินมาขึ้นมาหกลงทบโป้เลยแต่หมดมาลาเขาจะก็อักลึกลงกันเนี่ยก็สนุกดีอยู่บ้านตาดเนี่ยแต่มาถือเหมือนเหมือ น, นเป็นบ้านเจ้าของอยู่แบบมีความสุขจะสุขมาก แต่ว่าอยู่กับหลวงตาเนี่ยจะท่านจะสอนสติปัญญาต่างกันเยอะแต่ละองค์องค์ <ๆ S 2> เนี่ยตมาเคยพูดประจำนะฮะหลวงตาท่านจะลองพระทุกทุกองการลองของหลวงตาคือการใช้ใช้ตั้งแต่เป็นช่วงช่วงมาแต่ตมาคือตอมาพยายามเป็นพระความรู้ไม่เยอะแต่ต้องสังเกตเป็นก็ค่อยสังเกตดูเช่นหลวงตาท่านจะ ท่านจะลองตั้งแต่แจกอาหารเหมือนพระยี่สิบองค์ก็เอานี้ไปส้มเคี้ยวหวานห้าลูกไอ้เจ้านี้ไปก็แจกได้ไม่กี่องค์หนอมมันผ่าครึ่งหนึ่งแต่ตามาสังเกตดูใบหน้าลวงตาแล้วท่านคือตามาชอบสังเกตลุงตาว่าองค์นี้แจกไปไงี้ลุงตารู้สึกไงอย่างนี้เลยข่าวหลังท่านก็ลององค์นั้นบ้างลององค์นี้บ้างลองลองลองไม่ถึงเป้าหมายทุกองค์เลยครับตามาก็นึกในใจะ นี่เราจะโดนวันไหนวันเนี้ยมันจะโดนวันไหนเนี่ยก็ถ้าโดนตัวใหญ่ก็คอยไหวใช่ไหมจะว่าพอดีโดนเหมือนกันหลวงตาท่านยืมปับ๊บไปเอาไปแจกเป็นธรรมปลดปลดแต่ทำไมาแจกมันไม่ไดีเหลือแต่กระดูกแต่มาเขากระดูกแจกไปแจกไปจนครบในยี่สิบเจ็รูปไหนโมนีม่ดูแจ็คเต้นจริงๆนะ นี่คือความเื่อของตมานะเซ่อและเื่อนะั้นโยมจริงๆน่ะถ้าฉลาดแจกไม่ครบหรอกลองให้โยมแจกนะเพราะลุงตาไม่ได้แจกครบท่านบอกว่าเป็นธรรมท่านบอกให้แจกเป็นธรรมธรรมต้องเสมอภาพใช่ไหมแล้วถ้าตมาให้โยมโยมจะแจกครบไหมไม่มีใครแจกครบเพราะหลายายองค์แล้วไม่เห็นครบตรมาเป็นพระโง่ที่สุดในบรรดาในไหนกันในไหนแล้ว่าให้มาแจกเลยคนระับ พระมององค์บอกว่ท่านเยือะนะเป็นบ้ากับเลก่กระดูใครจะฉันได้ท่านให้กรดูเขาในกระดูไม่กี่ชิ้นนั่นท่านใส่บาตรแล้วแต่สมาสังเกตแอบสังเกตดูลุงตายิ้มลุงตายิ้มไอความเสื่อลุงตายิ้มหมาความมาเข้าตาใช่ไหมเข้าตานี่เข้าตานะ่ะให้ความเสมื่อจะแก่ จ, จนครบเลยยี่สิบเจ็ดองแก่ครบเจ็ดแล้ว หลวงตานัง่งเรานี่ทำจดินเมื่อกี้แจกเป็นทําให้ข้าพผมให้การสเก้าเวะขนาดครบแล้วยังได้เก้าเก้าซแล้วมันเหลือตรงไหนวะนึกไปจะพักอาตมาก็เป็นพระสติน้อยก็นึกนได้ไวกว่าเนาะใช่นึกนได้ไวไหมคนสติน้อยนึกนได้ไวกว่าสติมากนึกช้า ก็เลยโอนลืมไปเพราะตอนลวงตาให้ลวงตายัางไม่ได้เอาตอนนี้ลวงตาธรให้ตามาลืมหลงหน้าหลงหลังลงสามเดือนเอาให้อีกเลยแต่นี้ไม่บอกไม่บอกให้แจกเป็นไหนยกให้ขึ้นเอาแล้ววะแจ่เหมือนกันเอาจมูกประหลดหักไว้เท่าหัวไปขีดกำไว้เหดี เสร็จเราก็แจกแจก่ไปไอเราจะใส่บาทท่านตมาจะเดินมาทางนี้เพื่อจะใส่ให้ท่านท่านกันกันท่านะแล้วกันท่าก็ใส่อย่างงี้แล้วใครเจ้าทนไหวอะ่ะทนไหวไหมน้อมน้อมดูทนไหวไหมถ้าครูบาอาจารย์อะ่ะเราจะมาใส่นี้ทั้งกัน <c oughs> ตมาหัวเราจะจเปิดกระต่ายไอพเพื่อนบอกตยเยือนมันเป็นบ้าไง วุ้หล้อก็คุณไม่รู้เรื่องหรือเรากลัวกะหลงตากําลังทําอะไรกันอยู่คุณไม่รู้เนี่ยใช่ไหมไอเราเดินมานี่ท่านก็เซ็ตลืมตาใส่เราอ่ะโอ้กันไม่ให้ใส่ถ้าใส่เมื่อไหร่มันจะได้ร้อยเปอเซ็นอ่าเพราะมันมันมันบอบบางน่ะสุดท้ายก็โอ้ประมาณสามสิบนาทีอะ่ะยังใส่ไม่ได้เลยคิดว่าคงไม่ได้แน่นอนฮ่ะจะว่าพอดีด็อเอรชาวไปปับ๊บ เป็นตัวเบลเลอร์คุณยิงเขสียกถวายลุงตาลงตาจับมือเดียมไม่ได้มันหนักใช่สองมืออาตมาชาร์จเลยฮะชาร์จชะจัะกร่ลงตาเลยอ่ะซบเลยแล้วลงตาบอกคอมเมนต์ใส่ยาสั่งแล้วท่านก็หาหาหาหาหาจนเจอจนเจอเสร็จแล้วบอกด็กตอร์ชาวเน่อง์นี้เป็นใหญ่ได้เพราะเขามีความเป็นธรรมนี่คือพระจะเป็นใหญ่ต้องเป็นอย่างนี้ เสร็จแล้วร้อยเปซสาทุและพระอาหารหันให้ร้อยเปอร์ซหาที่ไหนหายากนะนี่ยังเป็นพระรุ่นร0อยเปอร์ซว้ยไม่ใช่พระ 80% จริงๆกก็ับ 100% ซนะนะไม่ใช่ธรรมดานะมีวาสนานะและทำอะไรก็มีแต่เก้าสเอร์กับร0อยเปนะอยู่บจารณนะ์รมาเป็นพระมีเปอร์เซ็นนะไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ครับขาดเปอร์เซ็นนะ เออแล้วพวยเซียนมันก็สูงด้วยอะก็เลยไม่ไปเนี่ยเหมือนบางอย่างเนี่ยไอแก้วฉันอย่างเงี้เหมือนกันท่านจะลองเรานะท่านไม่ฉันวันนี้ท่านไม่ฉันพรุ่งนี้ท่านก็ไม่ฉันอีกวันหนึ่งก็ไม่ฉันน้ําเต็มแก้วแล้วจะฉันอะไรวะเนาะก็อาตมาเองก็ไม่คึกว่าตรงนี้เป็นการสอนธรรม แต่ที่ไม่ฉันก็แปลกใจว่าทําไมถึงไม่ฉันถามครูจันอินดวายพระอินพระอินตอบว่าคมไม่หิวพระอินไม่หิวตมาก็เลยตัดสินใจตัดสินใจเลยว่าให้ไอายุ้งเจ้าไปเอานมตาบีเทมาครึ่งแก้วให้ครูบายฉันแต่เช้าฉันเปิด ป, ปั๊บมันถ่ายท้อง ถ่ายทายเป็จแล้วก็ให้ช่วยไปบอกหลวงตาว่าเราไปบินถาศไม่ได้เพราะกลัวไปถึงบรรตาแล้วมันจะขี้กลางบ้านก็เลยหลวงตาก็เอาคนใหม่ไปทํากิจวัตรคนใหม่นั้นคือทันเอี้ยนเสร็จแล้วอยากรู้ว่าย่แก้วน้ําตรงนี้จากการที่เราตั้งตรงนี้หลวงตาไม่ฉันและองค์ใหม่มานะ่ะหลวงตาตั้งตรงไหนท่านก็เลยสอนเขา พอท่านเอื้อนก็มาเองอัตมาพระอารามส่งมาหลวงปูดูลส่งมาใช่ไหมไม่ต้องสอนก็ได้แต่เขาพู้ที่มาเองหลวงตาก็ต้องสอนให้วางไว้ตอนนี้ท่านวางวางก็วางเกินที่เก่าแต่จังหวะพอดีกุติท่านมันเป็นลายไม้สมาก็เป็นโจรปล้นความรู้หลวงตาออกไปเป็นตาบาทจะมาขึ้นกุติเลยอยากรู้ว่าไอ้แก้วน้าเนี่ย ตอนนี้มันอยู่ตรงไหนกันแน่วะอยากรู้มันจริงๆก็เห็นเข้าก็เลยจับพิกัดได้จับพิกัดได้ปับ๊บตมาก็เลยมาฉันฉันเสร็จแล้วตมาก็เลยวางเพราะเข้าตรงที่เก่าหลวงตาก็ฉันหลวงตาต้องรู้ว่าไอ้นี้ต้องเป็นโจรเอาจริงๆนี่ยจิตเป็นคันเป็นโจร น, นะโจรหาความรู้ แล้วถามถ้าพระองค์ไหนก็คิดอย่างนี้บ้างน่ะไม่มีหรอกเออไม่มีมีมันมีไหมใครจะคิดอย่างนี้เจ้าว่ามีไหมไม่น่าจะมีนะแต่ทำไมอาจารย์ถึงทำล่ะเพราะอาจารย์อยากรู้ว่าสองวันแล้วไม่ยอมฉันนั่นมันต้องผิดปกติใช่ไหมก็เลยสุดท้ายเราก็เนี่ยลงตาก็ฉันไปตอนนี้ไอ้แก้วน้ำช่ายได้แต่ก็โถนเนี่มันตึกต่างกัน กระโถนแต่ก่อนคำหมากใส่ตอนนี้นในกระโถนไม่มีคำหมากแล้วจะเกินตรงไหนวะเนี่ยไม่มีหมากเข้าเลยปกติมันจะเข้าเอาไปล้างทุกครั้งไม่เข้าเอาไปแล้วจะเอาไงวะเนี่ยเกลื่อนน้าผ่านแล้วแต่กระโถนยังไม่ผ่านไม่ผ่านเลยนะสุดท้ายก็ต้องหาวิธีแก้ไขแก้ไขก็คืออดข้าวเอาตัวรอดเปนยอดเร็วไว้ก่อน เสร็จแล้วก็เลยกระโนก็ตั้งใหม่อีกเรามาตั้งถูกคราวหลังท่านบอกไม่ใช่ชื่อเยื่นชื่อเยี่ยมอาตมาชื่อเยี่ยมนะไม่ใช่ชื่อเยื่นเพราะมันเสือกแอบมาทำได้ยังไงเนี่ยทั้งทั้งเราเนี่ยไม่บอกไม่บอกเลยเนี่ยไม่บอกลุงตาสอนธรรมอาตมาไม่เคยบอกเลยไม่เอาผิดถูกชื่อดียังไงก็ไม่บอกว่าตรงนี้ผิด หรือผิดไม่ผิดก็ไม่บอกและถามที่พระผูกคอตายก็เพราะอย่างนี้แหละและถ้าเกิดไม่บอกหมอว่าผิดไหมผิดไหมนี่จำเพราะอาจารย์พูดนะถ้าเกิดอาจารย์ไม่พูดเธอว่าต้องผิดใช่ไหมจะทำอะไรก็ไม่ยอมบอกจะสอนอยังไงก็ไม่ยอมบอกก็ลองบอกมาที่จะทำให้ถูกใช่ไหมมันต้องคิดอย่างนั้น นี่คือคือปัญญาขงคนแต่เราได้จากหลวงตาตามาจะได้แบบพิเศษเลยนะแบบเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นตามาถึงเป็นเป็นปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์เพราะผู้มีศาสตร์พิเศษนะ <c oughs> นี่ก็เลยเข้าใจก็เลยตอนนี้ถามว่าเราจะทำเหมือนถ้าเร า, าสอนลูกสอนลูกน้องแบบนี้ไม่ได้ตรัและองค์อื่นท่านก็ไม่สอนด้วย เพราะเราหลวงปู่ดูลเป็นผู้ส่งมาหลวงปู่ดูลเป็นผู้รู้และผู้ส่งมันจะไม่รู้เลยเหรอก็เลยลองมันดูมันรู้จริงหรือเปล่าวะสปายนะถ้างั้นอยู่บ้านกาศจะได้ไม่เหมือนกันหรอกถ้าอยู่แบบแบบติดกับหลวงตาก็จะได้วิชาหนึ่งถ้าอยู่ห่างหลวงตาก็สู้สู้สู้สู้ใช่ไหมอั น, นั้นอยู่ห่างเด้ออยู่ต้องบีบนวดหลวงตาเงี้ย ขนาดจับเส้นนะโยมนะจับเส้นน่ะจับเส้นปุ๊บปุอาตมาก็ทันโกนกอกกอกกอกตามาก็ปล่อยมือไปคลานไปถึงประตูไอเสียงกอกหายตามาก็เปิดประตูมาใหม่ไม่จับใหม่จับจับจับจนโกนกอกกอกลงเดินไปถึงโุ้มฟังก็ย่างกอกอยู่ไปเลยเรียบร้อยเลยไอแบบนี้มันมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนไม่ใช่ธรรมแต่มันเป็นธรรมนะ มันเป็นธรร่วงตาก็รู้เลยว่าไอ้เจ้านี่มันช่างสังเกตช่างสังเกตเหมือนกัน <c oughs> คือลุงตาท่านฉลาดเนี่ย ถ, ถ้าท่านพูดอะไรไปไม่ถึงหนึ่งเดือนท่านจะต้องเอาตัวนั้นมาสอนแต่ใครจะมีปัญญาว่าสิ่งนั้นจะตกเป็นองค์ไหนองค์ไห น, ไหนแล้วแต่องค์ไหนรับได้ก็รับไปถ้าองค์ไหนรับไม่ได้ก็นีไปแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมเมื่อไร่จะถึงคิวเจ้า ข, ของเอ มันต้องเตรียมพร้อมเนี่ยมันกันแนวงานแหละเป็นเป็นนะี่เป็นอ้าวเป็นป น, ป น, นี่เนาะพูดมากเดี๋ยวอาจารย์ก็กลับไปนู้นหกทุม่มส่นส่วนมากจะนอนตีหนึ่งพอดีกลับไปส่วนมาจะไปท่องเที่ยวป่าไปให้กําลังใจคนตัดไม้พยุง <c oughs> <c oughs> เราอยู่ข้างกําแพงมันก็อยู่ข้างกําแพงพลหัวขึ้นมาก็เจหัวพระ อาไม่เป็นไรทำไปทำได้ทำไป ต บ, บังกรรมใดที่ล่วงเกินกันด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอกรรมที่ได้ละเมิดเดือ น, นั้นก็ขอในทานะเป็นผู้โดนขอโทษก็ขอโหสิ ก, กรรมให้ท่านทั้งหลายให้มีดวงจิตเห็นธรรมเพื่อปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งในจัตธรรมคำสงสอนของพระพุทธเจ้า ในในชาติปัจจุบันเทิน